บทภาชณีติกะปาจิตตีหนึดวงอาทิตย์อัดสดงแล้วภิกษุสําคัญว่าอัดสะดงแล้วสั่งสอนต้องอบัตปาจิตตีดวงอาทิตย์อัดสะดงแล้วภิกษุไม่แน่ใจสั่งสอนต้องอบัตปาจิตตีดวงอาทิตย์อัดสะดงแล้วภิกษุสําคัญว่ายังไม่อัดสะดงสั่งสอนต้องอบัตปาจิตตีติกะทุกกฎภิกษุสั่งสอนภิกษุณีที่อุปสมบทในสงฆ์ฝ่ายเดียว อบัตทุบกดดวงอาทิตย์ยังไม่อัดสดงภิกษุสำคัญว่าอัดสดงแล้วสั่งสอนต้องอบัติทุบกดดวงอาทิตย์ยังไม่อัดสดงภิกษุไม่แน่ใจต้องอบัตทุบกดดวงอาทิตย์ยังไม่อัดสดงภิกษุสำคัญว่ายังไม่อัดสดงไม่ต้องอบัต